เสียงอ่านพุทธวจนะจากพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับหลวงเล่มที่สพระวินัยปิฎกเล่มที่สมหาวัคคภาคหนึ่งหน้าที่39ทับส0 4ข้อที่40สเรื่องปฏิหารที่สองครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณไพรสนแห่งหนึ่งไม่ไกลจากอาสมของชดินอรุรเวละกัสปะครั้งนั้นเท้ามหาราชทั้งส เมื่อราตรีปฐมยามผ่านไปแล้วเปล่งรัศมีงามอย่างไพสาลทั้งสิ้นให้สว่างสวยัยแล้วเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคครั้นถึงแล้วจึงถวายบังคมพระผู้มีพระภาคได้ยืนเฝ้าอยู่ทั้งสี่ทิศฉันนั้นดุดกองไฟใหญ่ฉะ น, นั้นต่อมาชดินอรุเวลากรสปะเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคโดยผ่านราตรีนั้นครั้นถึงแล้วได้ทูลคำนี้ต่อพระผู้มีพระภาคว่า ถึงเวลาแล้วมหาสมณะพัตตาหารเสร็จแล้วพวกนั้นคือใครกันหนอเมื่อราตีปฐมยามผ่านไปแล้วมีรัศมีงามอย่างไพรสนทั้งสิ้นให้สว่างสวัยเข้าไปหาท่านครั้นถึงแล้วอภิวาทท่านได้ยืนอยู่ทั้งสี่ทิศดุดกองไฟใหญ่ฉะนั้นพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าดูยก่อนกสปะพวกนั้น คือท้าวมหาราชทั้งสี่เข้ามาหาเราเพื่อฟังธรรมครั้งนั้นฉดินอุรุเวลกัสปะได้มีความดำริว่าเอ e พระมหาสมณะมีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากแท้ทึงกัเท้าวมหาราชทั้งสีเข้ามาหาเพื่อฟังธรรมแต่ก็ไม่เป็นพระอารหันต์เหมือนเราแน่ครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคสเสวยพัตตาหารของฉดินอุรุเวลกัสปะ แล้วประทับอยู่ในภัยสนตำบนนั้นแลปฏิหารที่สอง